เพิ่งพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมการทำกิจการใดๆถ้าขาดความตั้งใจแล้วมันไม่สำเร็จแน่นอนเลย เมื่อตั้งใจเมื่อเข้ามาเอาใจใส่เอาใจจดจอทำความพอใจต่อข้อวัดปฏิบัตินั้นๆให้เต็มที่การที่มันจะเจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติทมนี่เพราะว่า จิตใจนี่ก็มันมีกิเลสคอยรบกวนอยู่อันขาวใดมีสติสำรวมตนอยู่กิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่มันก็สยกอยู่ในนั้นแหละพอเผลอๆสติเข้าไปากิเลสมันก็โผล่หัวออกมาอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ว่ากิเลสนี่มันหายไปเมื่อไรล่ะมันหลบซ่อนตัวอยู่เฉยๆเวลาเรามีสมาธิมีสติสำรวมจิตใจอยู่ <c oughs> ในพากันตื่นตัวไม่ใช่ว่าคล้ายๆกับว่ากิเลสนี่มันมีตัวนุนะ่นเหมือนกับตัวโรคซึ่งแทรกซึมอยู่ในร่างกายของคนนี่นะ แต่ความจริงแ้่มันก็ไม่มีตัวรอกกิเลสนะก็มันเป็นเพียงไงแค่ความรู้สึกนึกคิดในจิต ใ, ใจเท่านั้นเองอ่ะถ้าพูดสั้นๆเข้ามากุานั้นก็นั่นแหละมันเกิดจากจิตที่ไม่รู้นี่แหละมันปรุงแต่งกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจขึ้นมา <c oughs> เหมือนอย่างเหล็กนั่นะอันมันจะกล่อยมันจะกร่อนไปมันจะซึกรอไปก็เพราะสนิมอะสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กเองนะนเนี่ยแล้วก็กัดกินเหล็กเองให้ซึกรอไปอย่างนั้นเนี่ยอันกีเลศนี่มันก็เหมือนกับสนิมสนิมมันซ่อนอยู่ในเนื้อเหล็กนั่นเนี่ย นี่ฉันใดกิเลสนี่มันก็ซ่อนอยู่ในจิตใจนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่อื่นเล้คิดให้ดีดังนั้นอบุคคลใดที่มาฝึ ก, กจิตให้ดีสําผูมจิตให้แน่วแน่ให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะกิเลสไม่ได้ช่องเลยดังนั้นจะไปอยู่ที่ไหน อยู่ป่าเขาลมหนาวภัยที่ไหนก็ตามแหละถ้าหากว่สตินี่ไม่เข้มแข็งแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องที่นั้นแหละเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันไม่ได้อยู่ในป่ามันไม่ได้อยู่บนอากาศไม่ได้อยู่ในน้ํา กิเลสมันอยู่ในจิตของคนต่างหากหนึงหน่ง้นการรักษาจิตดวงเดียวเท่านี้เลยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเราจะหาอุบายวิธีขจัดกิเลสนี้ออกจากหัวใจนี่ ถ้าหากว่าบุคคลใดขาดการสำรวมจิตนี้แล้วนั่นจะมีความรู้มากมายหลายเท่าใดมันก็ลา ก, กิเลสไม่ได้เหมือนอย่างบวชกันเข้ามาศึกษาเล่าเรียนจนได้เป็นมหาปาริญญาแปดประโยคเก้าประโยคนก็ยังศึกษาลาเพศไปครองเรือนอยู่ของเก่านั่นแหละ ดัะนั้นความรู้ความจำในพระธรรมคำสอนของอุตตเถเจ้านะั้นจำได้แล้วไม่น้อมเข้ามาสอนใจก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่สามารถจะทำให้อาศวกิเลสเบาบางไปได้ผู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนมากแต่ว่ารู้จักสำรวมจิตตัวเอง ไม่ปล่อยให้จิตคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ได้นั่นอันนี้แหละท่านกล่าวว่าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเมื่ความวาใจนั้นทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยอ่ไม่ใช่ว่า อยู่แค่ตำราเท่านั้นศีลธรรมมันมามีอยู่ที่บุคคลผู้น้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาตั้งไว้ในใจนี่พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมนั่นแหละเป็นเอาเป็นพระธรรมนั้นมาตั้งไว้ในใจมาซึมซาบอยู่ในใจเนี่ย ขั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันจะมารบ ก, กวนจิตใจเช่นนี้บางคนนึกถึงธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนั้นขึ้นมาได้เมื่อธรรมนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วกิเลสนั้นก็ถอยไปในกายนี่แหละ เมื่อหมอผู้ฉลาดปรุงยาให้ถูกกับโรคอย่างนี้นะโรคมันก็ถอยไปอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตใจของบุคคลผู้ฉลาดปรุงแต่งธรรมะให้เกิดขึ้นในใจในขณะที่มีอารมณ์มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมา ก็นึกถึงธรรมะนั่นได้เช่นอย่างเมื่อความโกรธมันจะเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะก็นึกถึงเมตตาธรรมได้ทันทีเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นความโกรธมันก็เบาลงอย่างนี้แหละเช่นเมื่อราคะความกำหนัดมันจะเกิดขึ้นในใจอย่างนี้เมื่อมานึกถึงอสุภากรรมฐาน เมื่อนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสทั้งหลายเป็นของไม่สวยไม่งามโดยเฉพาะรูปนี่แหละอันประกอบไปด้วยถาดสีน้ำไฟลมนี่เมื่อเมเพ่งดูจริงจังแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามถ้าพูดถึงรูปร่างกายของคนเราเนี่ยมันดูว่าสวยงามได้กับเพียงแต่แค่ผิวหนังเนี่ย หนังนี่หุ้มอยู่เฉยๆเมื่อหนังนี่มันหุ้มอยู่แล้วเอ้าเลือดมันก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายนี่สีเลือดน่ะ น, นะมนุษย์มาออกมาปรากฏอยู่ในผิวกายนี่ทำให้ผิวนั่นกายนี่แดงละเลือดหรือว่าเหลืองอร่ามไปอย่างงี้นะอมเมื่อเห็นเขาแล้วก็ สำคัญว่ารูปนั้นสวยงามเพราะผิวพรรณมันผุดผ่องขึ้นมามีท่านนี้แหละที่ทำให้คนหลงรักหลงใครในรูปอันนี้จ้อนเป็นเหตุใจได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีลูกมีหลานขึ้นมาแล้วก็ต้องมาหาเลี้ยงกันแสนทุกข์แสนยาก เมื่อมีมากๆเข้าไปแล้วยิ่งอัตคัดขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าบุคคลใดมาเพ่งพิจารณาดูรูปร่างอันนี้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ไปแตะต้องแล้วอไม่แสวงหามันแล้วเสวงหาทางกายก็ไม่เสวงหาเสวงหาทางใจก็ไม่แสวง คือไม่ได้คิดส่งไปใส่ไปหารูปสวยรูปงามที่ไหนในโลกเพราะว่ามันไม่มีรูปสวยรูปงามถ้าเพ่งพิจนาตามความจริงแล้วอันที่ว่ามันสวยมันงามนั่นเป็นความหลงของจิตต่างหากอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบาปทำกรรมตายแล้วไปสู่อบาบัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ก็เพราะความรักความชังนี่แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญมากอย่าว่าจะเพียงว่าจะให้สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ดีๆเท่านั้นเลยมยังไปบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าทูบบางคนมีเมียหนึ่งแล้วยังไม่พอต้องการอยากได้เมียสองเมียสามไปนู่น กิเพราะความรักนี่แหละมันไม่มีสถานีบุคคลไม่ยับยัง้งจิตใจจากความรักนี้มันเมื่อมันรักขึ้นมาก็ปล่อยให้มันรักไปเต็มที่เลยไม่ได้ทวนกระแส จ, จิตกลับคืนเลยเนี่ยเป็นเหตุให้คนเราไปทำบาปไปล่วงศีลการมเมสุวิชาจา์เข้าไป ไปเสวงหาเงินทองโดยทางทุจริตเพื่อให้ได้มาบำรุงพลเปอร์กามคุณเหล่านี้ให้ได้สนุกสั น, นานเต็มที่ลอคิดดูคนเราทำบาปทำกรรมนะเพราะมันปล่อยใจใเกิดความรักความใคร่เกินขอบเขตนั่นแหละ้าเป็นพระสงค์องค์เจ้าก็เหมือนกัน ปล่อยให้จิตมันกำดัดยินดีไปในอารมณ์มากมากเข้ามันก็ทนอยู่ไม่ไหวและถ้าไม่ศึกก็ต้องล่วงวินัยอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อทนล่วงวินัยอย่างไรแล้วล้วก็หาทางปกปิดไว้ไม่ใครรู้มื่อก็เมื่อไม่มีคนรู้แล้วนึกว่ามันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรม ไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็าตามเมื่อตนร่วงวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นแหละต้องให้เข้าใจ <c oughs> ถ้าไม่เป็นบาปเป็นกรรมพระศาสดาไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เลยแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกัน ที่ทรงบัญญัติสิกขาบทาประการนั้นก็ทรงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาอันยอดเยี่ยมแล้วว่าถ้าใครร่วงข้อบัญญัตินั้นไปก็ต้องเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรติดตามสนองให้เป็นทุกข์ไปทั้งในโลกนี้โลกหน้าแน่นอนทีเดียวแต่คนส่วนมากนั้นมันสู้อำนาจ แห่งความโลภความโกรธไม่ได้เอดันถึงได้ล่วงพุทธบัญญัติดันไปถึงจะเป็นบาปก็ยอมก็ยอมรับบาปยอมรับเอาบาปเอาบาปนั่นเลยอย่างนี้คนส่วนมากนะลองคิดดูไม่ใช่ว่าบาปมันมาสวมเอา ตนเองไปสร้างมันขึ้นดังหากสร้างมันขึ้นเพราะความโลภ ค, ความโกรธนี้แหละผู้ใดได้บรรเทาความโลภ ค, ความโกรธนี้ลงจากจิตใจแล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาสร้างกรรมเวรดังกล่าวมานั้นเลยแต่ก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างสบายเมื่อบุคคลไม่รู้อํานาจแกศกิเลสเหล่านั้นแล้ว มันก็สบายสิจิตใจก็ปลอดโปร่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นึกว่าเมื่อตนไม่สะสมกิเลสนั้นให้หนาแน่นตนก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ศัตรูของตนก็ไม่มีเมื่อไม่มีศัตรูคอยจองร่างจองผ่านแล้วคนเรามัก็นอนตาหลับสบายจะเดิน ไปเหินไปมาทางไหนก็ไม่นึกระแวงว่าจะมีศัตรูมาจองร่างจองผานเลยอ่นี่แหละมันจะไม่สบายใจยังไงแล้วเมื่อคนละความโรคความโกรธนี่หรือว่าละความรักความชังนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจแล้วการนำมาหาเรื่องชีพมันก็อยู่ในกรอบแห่งศิลเองธรรมอ่ม ไม่ทะเยอะทะยานเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้แสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดจากศีลจากธรรมท่านพูดทรงศีลทรงธรรมอันประเสริฐนั่นท่านอยู่คลองเรือนท่านไม่ทำบาปท่านก็อยู่ได้อยู่ได้ไปจนตลอดชีวิต ลองพิจารณาดูถ้าหากว่าบุคคลผู้ระเวนจากบาปตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างนี้แล้วก็เลยจะทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แล้วเลยจะปล่อยให้ชีวิตนี่ล่วงโรยตายไปเสียเปล่ามันไม่มีในโลกอันนี้นะ ลองคิดดูแต่พระโสดาบันนะแต่ครั้งพใะเจ้าท่านก็ครองเรือนอยู่นั่นเลยมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานแต่ท่านไม่ทำบาปแล้วพระโสดาบันท่านเว้นบาปได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรกเดวาละบาปได้เป็นสมุทเทประหานไปเลยละขาดไปเลย เรีว่าจิตใจของพระโสราบันนั้นไม่สร้างบาปขึ้นอีกแล้วแต่และท่านก็ยังทำมาหาเรี่งชีพอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอยู่เหมือนกันก็อยู่กันได้ไปจนตลอดชีวิตนยังทำมาหาเรี่ยงชีพได้ตามปกติอยู่แต่ท่านแสวงหาโดยทางสุจริตอย่างเดียว ทางทุจริตไม่เอาเลยถึงว่าเมื่อทำไปในทางทุจริตแล้วมันจะร่ารวยเงินทองมากมายท่านก็ไม่ทำนะพระโสดาบันนะไปอย่างนั้นจะทาไปทำไมพระโสดาบันท่านมองเห็นขันหานี่แจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็วขันหานี่เป็นของไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับอยู่บังคับไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้จะใช้มันไปทําบาปกรรมทําไมอ่ะในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่ไม่กจรังยั่งยืนอะไรเลยถึงเมื่อใครแยหาอาหารอันปณิษฐานจงเท่าไรมาหลเลี้ยงมันมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้อันเบี่ยงนั้นนักป ร, ราชทั้งหลายผู้มีปัญญาแลท่านคิดเห็นอย่างนี้เลย ท่านจึงไม่ใช่กายไม่ใช่วาจานี่ไปทำชั่วไปล่วงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อสละความชั่วนั้นออกจากจิตใจแล้วใจเบิกบานผ่องใสแล้วมันก็มีปัญญามันก็มองเห็นรูทางที่จะทำมาหาเรี่ยงชีพโดยทางสุจริตได้นี่เป็นอย่างนี้ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้านับถือด้วยอำนาจแห่งปัญญานะมันก็จะถอนตนออกจากบาปจากโทษภายในวัฏฏะสงสารนี่ได้ถึงยังจะไม่บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก่อนก็ตามผู้นั้นก็จะไม่ได้ไปไประสบกับความทุกข์ ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นถ้าใครหากว่าปฏิบัติไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนแล้วแน่นอนเนี่ยมันก็มีอบายภูมิทั้งสี่นั่นแหละเป็นที่ไปหลังจากละจากโลกสงสารอันนี้แล้วไม่ไม่ไปที่อื่นแล้วในบุคคลผู้ สะสมกรรมชั่วใสทัวเรือย่างเนี้ยไม่มีกิเลสมันจะมันจะจูงไปทางอื่น่ะมันไ ม, ไม่ไม่แม่แล้วกิเลสปับป ร, บระธรรมมีแตมันจะจูงไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เปรตไปเกิดเป็นสัตว์อสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งห์เดรัจฉาน อันสามจำพวกนั้นเราก็มองไม่เห็นด้วยตาหนังแต่จำพวกที่สี่นี่เรามองเห็นด้วยตาหนังเลยนี่นั่นแหละพระศ า, าสดาก็ทรงจัดสัตว์เราชานนี่เข้าไปในทุกคติภูมิเหมือนกันนี่ลองสังเกตดู mm hmm. ก็ถูกแล้วสัตว์เราชานมันก็จะมีความถูกมาจากไหน มันเป็นสัตว์ที่มีไม่มีอำนาจวาสนาอะไรท่านกล่าวว่าเป็นทรัพยากรของมนุษย์นั่นมนุษย์เลี้ยงมันไว้แล้วเอา้ามนุษย์ก็มีสิทธิ์้ามันปรุงแต่งเป็นอาหารกินได้ อ, อย่างนี้แหละดันั้นสัตว์ดิบฉานท่านยังว่าตกอยู่ในทุกข์ทุกขติภูมินะ <c oughs> นั่นให้กลัวไว้ในใจให้มงมากกลัวจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะพระศาสดาทรงย้ำแล้วยังย้ำอีกทีเดียวแหละเรื่องเรื่องนี้นะใครไม่เชื่อลงไปเปิดดูหนังสือพระไกรปิฎกนั่นก็ได้ เพราะว่าพระ อ, องค์เห็นแจงแล้วว่ามันทุกข์หลายนี่ทุกข์อยู่ในนรกนั่นยิ่งทุกข์หลายกว่าภูมิอื่นทั้งหมดเพราะว่าน้ำร้อนลวกไฟเผาไม่มีเวลาที่จะได้มานั่งสงบกายสงบจิตยอยู่ได้เลยมีแต่ไปปล่อยไปให้น้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วพอเกิดใหม่อีก อยู่อย่างนั้นในสัตว์นรกนะเมื่อกรรมมันเบาเข้าไปแล้วเอามันก็พ้นจากนรกหลุมใหญ่ผลมาตกนรกหลุมเล็กอันที่ท่านเรียกว่าหลุมอันเป็นบริวารของหลุมใหญ่เมื่อพ้นจากหลุมเล็กนั่นแล้วก็แสดงว่าพ้นจากนรก อา้าวมาเกิดเป็นเปรตอีกเขาเศษบาปมันยังอยู่เศษบาปยังไม่หมดไปทนทุกข์ทรมานอยู่จากอยู่กับเปรตนั่นก็ไม่ใช่น้อยอีกหละเปรตนี่ไม่มีอาหารการกินจะบริโภคให้อิ่มน้ำสำรันบางรายก็ไม่ไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่ม ร่างกายก็พิกลพิการต่างๆบาปกรรมมันแต่งเอาไว้ไม่มีดอกรูปร่างนยมันจะสวยงามเหมือนมนุษย์นี่มีแต่บัญจกีรายคีเลยทั้งนั้นแหละพวกเปรตทั้งหลายนะไม่มีข้าวไม่มีน้ำจะบริโภคก็เพราะว่าแต่เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้ให้ทานเลย ให้อย่างนี้เดือนหนึ่งปีหนึ่งอย่างนี้นะไอ้ครั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้นะมันจะได้บุญอะไรมากมายเท่าไรแล้านั่นนะที่มันจะได้บุญมากมายได้ก็เพราะว่าได้ให้ทานทุกวนันทุกวันอย่างนี้นะ แ, แต่บุญมันเกาะถึงแม้เราจะให้ทานไม่มากแต่และน้อยละน้อย ตามกําลังทรัพย์ที่มีอย่างนี้มันก็ได้บุญน้อยแต่เมื่อทําบ่อยๆมันก็มากขึ้นในตัวพระศาสดาเปรียบเหมือนน้ำน้ำหยดชายคาน้ําฝนมันตกลงมามันหยดสายคาทีละหยดละหยดเท่านั้นแหละเมื่อมันหยดไม่ถอยอ่ะตุ่มใหญ่ๆมันก็เต็มได้เหมือนกันนะอ่มันเป็นงั้นฉันในการ ทำบุญกุศลของพุทธศาสนาชนก็เป็นเช่นนั้นเนะี่ยค่อยพยายามทําไปทีละน้อยละน้อยไปตามกําลังวาสนาบา ร, รมีของตนของตนอย่างนี้เมื่อทําไม่ถอยมันก็เจริญงด ง, งามขึ้นแหละบุญกุศลนั้นนะถ้าไม่ได้ให้ทานก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะ อย่าไปทำบาปเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นสุขสบายการอยู่ในพรหมจรรย์นในโลกอันเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงพิจารณาดูให้ดีถ้าผู้ใดมีอุบายมีปัญญาถอนตนจากอบายภูมิทั้งสี่ได้แนละ้วโอ้ยบุญเป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นมากมายทีเดียวเลย คนส่วนมากมันถอนตนออกจากทุกอาบายภูมิทั้งสี่นี่ไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะข้ากันคิดดูให้ดีความจริงนะบุญกุศลตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มาแล้วแล้วไม่ทำบุญสืบต่อเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อทั้เป็นไรคนบางคน ไม่เชื่อว่าบุญตกแต่งร่างกายอันนี้นะไม่เชื่อว่าอา น, น้สองสงการให้ข้าวน้ําเป็นทานนั้นอาจจะทําให้คนเรามีกําลังกายแข็งแรงได้ไม่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่คิดซะด้วยน ะ, ะเห็นเพื่อนในทานข้าวน้ำไปก็ทานกระหมูกระหมู่กระเพื่อนไปเท่านั้นเนี่ถ้าผู้ใดคิดว่า การอ น, นิสงฆ์แห่งการให้ข้าวน้ำเป็นทานนี่มันเมื่อเกิดไปชาติใดนี่อ น, นิสงฆ์เหล่านี้จะไปตกแต่งร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําลังเรี่ยวแรงดีถ้ามันคิดได้อย่างนี้โอ้ยมันก็ ข, นขอนไยทานเลื่อยไปทำไม่มีถอยอ่ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้แห้งได้ทานหลาย อ, อนกขวดบินถบายมาฉันได้พออิ่มท้องมือเดียวเหลือนั่นก็ให้ทานไปหมดเลยเนี่ยนกขวดยิ่งได้บุญหลายให้ข้าวเป็นทานนะให้น้ำเป็นทานลองคิดดูอย่างนี้แหละไอ้วกคนผู้มีร่างกายสูผ้ผอมไม่มีกำลังเลี้ยวแรงอะไรนั่นนั่นแหละ โทษที่ไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำเป็นทานะให้ก็ให้แต่เล็กแต่น้อยอย่างว่านะั่นนะมันไม่มากพอที่จะตกแต่งร่างกายให้อ้วนทนสมบูรณ์ได้บุคคลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ น, นี่อา น, นิสงส์ศีลนั่นแหละก็ไปรักษาชีวิตของบุคคลผู้นั้นในชาติต่อไปให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวนานในภพที่ในชาติที่เกิดนั้นนั้น อืเงี้ยนี่เนี่ยผู้ใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เท่าไร่อายุก็ยิ่งยืนนานไปเท่านั้นเลยอันผู้มีอายุสั้นในโลกนี้นะมันล้วนแต่คนไม่รักษาศีลกรรมชั่วที่ตัวทํานั่นมาตัดรอนเอาทําให้อายุลอยหลอลงไปเลยะไปอย่างนั้น อันนี้สงภาวนาก็ทำให้ผู้นั้นมีสติมีปัญญาเจียบแหลมเกิดไปชาติใดก็ดีดจะไม่หลงมัวเมาติดอยู่ในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขกายสบายใจชั่วคราวเหล่านี้เมื่อได้พบกุทลศาสนาได้ฟังธรรมแล้วก็สา ม, มารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้คือว่าสา ม, มารถละอุปทานในขันหานี้ได้พูดง่าย มันไปไบรรลุกมรคนิพานไม่ได้นะก็เพราะว่ามันจิตใจมายึดอยู่ในขันห้านี่นะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานับแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปแหละแต่ยังไปยึดขันห้าหลวงถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ไม่มีทางจะได้บรรลุโสดาปฏิผลนะท่านผู้ได้บรรลุโสดาปฏิผลนี่ท่านใจมันหนักแน่นในศีลในธรรมในบุญกุศลนน่น มันมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ในใจมันไม่ถือมั่นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนพ่อมองเห็นมันไม่เที่ยงมันจะแตกแกระดับเมื่อไรก็รู้ไม่ได้เหตุนั้นใจของท่านจึงได้ไปมั่นอยู่ในบุญในคุณนุนเชื่อพความเชื่ออันนี้ร้อยเปอร์เซนเลยท่านเรียกว่าอาจารสาัสทตาแปลว่าความเชื่อไม่วันไหวเลยร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไง จิตใจก็ไม่เศร้าโศกไปตามเพราะว่าใจทันมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ที่พึ่งอันเป็นแก่นสารแล้วเนี่ยให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีดังนั้นแหละพระศ า, าสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเราทำที่พึ่งให้แก่ตนให้ได้สร้างที่พึ่งขึ้นในจิตใจให้ได้กร่างกายนี้เราพึ่งมันได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ต้องแตกแตกทําลายลงเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี่เราจะไปลังเลสงสัยอะไรเล่าเรามาสร้างกุศลความดีให้มากขึ้นในดวงขีดนี้ไปะะแล้วนี่แหละบุญกุศลนี่มามาสร้างมากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นปัญญาสอนจิตให้ปรงให้วางขันท่านี้ลงไป นั่นแหละมันจึงสามารถบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้ดังแสดงมา